หอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติเรื่องภิกษุชื่อฉันนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นภิกษุชื่อช น, นะต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทําคืนอาบัติภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตําหนิประนาม โพนธทนาว่าชะไหนภิกษุชื่อชนะต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะทำคืนอาบัตเล่าดังนี้แล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ